ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสตตะปัพระปุพพสิกขาและปุพพสิกขาวันน า, นาพระอมาราพิรกิตะอมโรเกิดวัดบรมนิวาสรัจนาต่อไปจะเป็นสุทิกะปาจิตตีในอาเจรกะวัคที่ห้าประดับด้วยสิกขาบทสิทธ อเจรกะสิกขาบทที่หนึ่งความว่าทิสุให้ของเคี้ยวของฉันซึ่งเป็นอามิตรสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยมือของตนแกเดียรภีคืออาเจรกะคนเปลื่ย แ, และปริภาชกแน่นาปริภาชิกาซึ่งเป็นคนถือเพศปวดนอกพระพุทธศาสนาไม่ใช่สาธรรมมิตรทั้งห้าเหล่านี้ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นปาจิตตินับด้วยประโยคที่ให้ฐานบทข้อนี้ก็เป็นเอระ คารมาสมุดฐานมีสมุทฐานสองกายอย่างหนึ่งแล้วก็กายชิตอย่างหนึ่งเป็นกิริยาก็คือทำการให้อาหารแกบบ่พวกนักบวชนอกาัาสนาเป็นโนสัญญาวิโมกาจิตกะันติวัชะกายกรรมมีจิตสามมีเวทนาสามต่อไปอุโ ย, โยชนะสิขาบทที่สองความว่าพิสุชวนพิตุด้วยกันไปบิณฑบาตยังบ้านและนิคมแล้ว จะให้เขาให้อามิตแกเธอนั้นก็ตามหรือว่าไม่ให้ก็ตามเธอเองอยากจะซิกซีเล่นหรือจะนั่งในที่รับกับมาทุกคามหรือจะประพฤตอนาจารอย่างใดอย่างหนึ่งและขับไล่ภิกษุนั้นเสียต้องทุกข์กฎเธอนั้นร่วงอุปจาระแล้วด้วยเท้าข้างหนึ่งก็คือภิกษุที่ไปด้วยกันเนี่ยถูกไล่กลักบเน่นะถ้าก้าวร่วงอุปจาระด้วยเท้าข้างหนึ่งผู้ไล่ต้องทุกข์กฎ เธอล่วงด้วยเท้าที่สองผู้ไล่ต้องปาส ต, ตีในโอกาสที่แจ้งประมาณทัศนูประจาระเพียงสิบสองซอก ส, สวัณูประจาระก็เหมือนกันหมายถึงว่าที่พอเห็นได้เนี่ยสิบสองซอกออกไปเนี่ยนะถ้าฝาหรือประตูหรือว่ากําแพงเป็นต้นกั้นอยู่ความล่วงที่กั้นด้วยของเหล่านั้นแลชื่อว่าล่วงอุปจาระก็คือมองไม่เห็นแล้ว่ก็เรียกว่าล่วงทัศนุประจาระไป ในอุปสัมบัญเป็นติกะปาจิตตีในอนุสัมบัญเป็นติกะทุกกกกล่าวกะลิาศาสนะก็คือคำที่เป็นโทษที่เสื่อมเสียแก่อุปสมบันและอนุสมบันทั้งสองว่าท่านทั้งหลายมาดูเถิดคนนี้ยืนเหมือนตอนั่งเหมือนสุนัขเหลียวแลเหมือนว่านอนดังนี้ต้องทุกกไล่ให้ไปด้วยเหตุอันสมควรเป็นต้นว่า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 มีความกำหนัดต่อกันนี่ก็ไปการกั้นอยู่ก็มีลำบากมีสมุดฐานดูดปฐมป ร, ราชิกสมุดฐานเดียวก็คือกายจิตเป็นกิริยาสัญญาวิโมกข์สจิตกะโลกัพชะเป็นกายกรรมอกุศลิตมีเวทนาสองประการเพื่อนั้นก็ไม่ควรจะไปการกาั้นโดยเพราะถ้าเขานิมนต์ให้กลับแล้วก็ควรจะกลับถ้าไปการกั้นอยู่ก็มีโทษเขาก็ติดเตียนได้ต่อไป ในปฐมระหวนนิสัชชากิขาบทที่สี่ความว่าเทีตุใดนั่งนอนในอาสนะซึ่งกำบังด้วยเครื่องบังรับตากับด้วยมาตุคาแม้เกิดในวันนั้นต้องปลายสิตีอันนี้ก็ต้องมีจิตกำหนดด้วยนะเหมือนปฐมปราชิกสมุทฐานสมุทฐานทั้งหลายก็เหมือนปฐมป ร, ราชิกก็คือสมุมทฐานเดียวกายคิตนั่นเองส่วนทุติยะระหวนนิสัชชากิขาบทที่ห้า คำว่าทิพสุใดนั่งนอนในที่แจ้งรับหูกลับด้วยหญิงผู้รู้ความผู้เดียวต้องป่าจิตติสมุดฐานก็เหมือนกับปฐมประราชิชเหมือนกันก็คือสมุดฐานเดียวกายกจิตเป็นจริยาสัญญาบิโมกเป็นตกิจกะกายกรรมโลกวชัชระแล้วก็อกุศลจิตมีเวทนาสองสมุดฐานวิธีเป็นต้นแห่งถิกาบททั้งสองนี้ก็เหมือนกับปฐมประราชิชเนความนอกนั้นก็ พึงรู้โดยในที่ได้กล่าวไว้แล้วในอนิยตะทั้งสองนอนิยตะข้อแรกก็นั่งในที่รับพอจะทำการได้เพราะฉะนั้นก็โจทย์ด้วยประชิดก็ได้ทํำกา้เสกก็ได้ไปจิตทีก็ได้แต่ว่าสุกบดอนิยตะข้อที่สองก็นั่งในที่รับไม่สามารถจะทําการได้คือไม่สามารถเสกในตุนได้แต่ว่ายังสามารถที่จะพูดเคาะพูดเกี่ยวได้นะแต่ที่รับหูต่อไปจาริตตุกบทที่หกความว่า เปกสุใดอันชายกเขานิมนด้วยโภชนะทั้งห้าสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันใดแล้วเธอฉันโภชนะที่เขานิมนต์นั้นแล้วหรือยังไม่ได้ฉันก็ตามไม่ลาทิจุที่มีอยู่และไปสู่ตระกูลอื่นจากตระกูลแห่งผู้นิมนต์นั้นในเช้าชั่วเที่ยงคื อ, อยังไม่เลยเที่ยงนี่นะเมื่อลงอุปจาระเรือนแห่งตระกูลอื่นนั้นต้องทุกกดก้าวร่วงธรณีประตูเรือนด้วยเท้าทีแรกต้องทุกกดอีก ข้าวล่วงด้วยเท้าที่สองต้องปาเจตีเด้วยแต่มีจีวรธานสมัยคราวให้จีวรคราวถวายจีวรและจีวาการรสมัยคราวทำจีวรดังกล่าวแล้วในคณะโพชนะพิสุใดยอยู่ในทัศนุปจาระในภายในอุปจาระสีมาพอจะเห็นกันได้พอจะบอกได้ด้วยคำเป็นปกติพิษุนั้นชื่อว่ามีอยู่พ้นกว่านั้นชื่อว่าไม่มีก็ ค, คือไม่เห็นพัจุอยู่ตรงไห น, น นั่นก็ได้ว่าไม่มีก็สามารถที่จะไปได้แต่ถ้า อ, อยู่ในทัสนุประจาระและมีภิกตุอยู่ในที่นั้นแถวนั้นก็ต้องบอกลาในภิกตุเขานิมนต์แล้วเป็นติกะปัจจิตีนะก็สําคัญว่ายังไม่นิมนต์ว่าสําคัญว่านิมนต์แล้วก็ตามสาคัญถูกสําคัญผิดหรือว่าสงสัยก็ตามก็เข้าไปในแวด บ, บ้านไมิลีลาภิกษุอื่นนี่ก็ต้องเอา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 หรือไปตูอารามอยู่ในภายในบ้านไปที่อยู่ของนามพิกุลีไปที่อยู่เดร์ขีไปโรงฉันไปเรือนที่เขานิมนหรือว่าเรือนผู้ให้สลากภรพับเป็นต้นและไปเพราะอันตรายนัที่อยูบ้านเป็นต้นเหล่านี้ก็ไม่เป็นอาบัติที่คำวันนี้ก็เป็นอนาณนาณิติกะใช้ให้ไปทำก็ไม่เป็นไม่เป็นอาบัติ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 สมุทฐานกระถินปฐมกระถินก็คือมีสมุทฐานสองกายวาจาอย่างหนึ่งกับกายวาจาจิตอย่างหนึ่งเป็นโนสัญญาวิโมกขจิตตะปันติวัชะ ก, กายกรรมวจีสรมนิจิตตามเวทนาสารต่อไปในมหานามสิกขาบทที่เจ็ดความว่าถ้ายกประวัณาด้วยปัจจัยคือยามีเนยใส่เป็นต้นเพียงสี่เดือนหรือประวณาซ้าประวณาเป็นนิสก็ตาม ติ๊กตุไม่เป็นไข่ยาพึงห้ามเสียเลยก็คือเขาปรนาก็าอย่าไปห้ามเขาพึงยินดีรับเถิดถ้าเขาปรนากำหนดตราตรีและกำหนดยาไว้เพียงใดพึงขอเขาตามกำหนดถ้าเธอขอเขาให้เกินกำหนดตราตรีและยาซึ่งเขากำหนดไว้นั้นและกิตซึ่งจะต้องการด้วยยาไม่มีขอยามาก็ดีหรือขอยาอื่นจากยาที่เขาพึงต้องการ หรือขอยาอื่นจากยาที่จะพึงต้องการก็ดีต้องปาจิตตีในการขอยิ่งกว่ากําหนดนั้นเป็นติดกับปาจิตตีถ้าไม่ยิ่งกว่ากําหนดหรือสงสัยอยู่ก็เป็นทุกก์รู้ว่ายังไม่ยิ่งกว่ากําหนดเป็นอนาบัตคือไม่เป็นอนบัตเมื่อความต้องการมีบอกเขาตามจริงแล้วขอให้เกินกําหนดยากําหนดราตรีไปอันนี้ก็ไม่เป็นอนาบัต เขต้องการบอกว่าเออกาหนดที่ท่านปรนนารวยหมดแล้วแต่จะมาก็ยังป่วยอยู่ยังมีความต้องการยาอันี้ก็ไม่เป็นไรหรือว่าขอแต่ญาตแต่คนผู้ปรนารด้วยปรนารเป็นบุคคลอันนี้หมายถึงว่าเขาปรนารเป็นสงนะถ้าปรนนารเป็นบุคคลเราก็ไปขอจากบุคคลนั้นและปรนารไม่มีทีุ่ดหรือขอเพื่อผู้อื่นหรือแลกเอาด้วยทรัพย์ของตนและที่สุบ้าเป็นต้นเหล่านี้ก็ไม่เป็นอาบัต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 สันเชลิตาหมายถึงสิกขาบทที่ว่าด้วยการชักสื่อสุมติฐานหกทั้งหมดเลยนะกายวาจากายวาจากายจิตวาจาจิตกายวาจาจิตทั้งหมดเลยเป็นกิริยาโนสัญญาวิโมอกอ จ, จิตตะกานนติวัชกายกรรมบัญชีกรรมจิตสาเวทนาสามต่อไปสิทธาบทที่แปดชื่อว่าอุยุตตาสิทธาบทความว่าเท๊กตูใดไปดูจัตุรังขีนีเสนา ก็คือกองทัพซึ่งยกออกมาจากบ้านเมืองต้องทุกกฎทุกทุกเก้ายืนในทัศนูปจาระแลเห็นต้องปาจิ ต, ตีเว้นไ้แต่เหตุที่สมควรมีก็คือญาติอยู่ในหมูเ่เสนาเป็นไข่ไปเยี่ยมญาติอันนี้ไม่เป็นอบัตรช้างมีคนแวดล้อมสิบสองคนม้ามีคนสามคนรถมีคนสี่คนคนเดินเท้าสี่คนมือถืออาวุธ ชื่อว่าจักรุรังฆาณีเสนากองทัพมีอง์ศียืนในที่ใดแลเห็นที่นั้นชื่อว่าทัศนูปจาระมละทัศนูปจาระแล้วแลดูบ่อยๆเป็นปัจจิตีตามประโยคในเสนายกกระบวนทัพก็คือกองทัพที่ยกออกแล้วเนี่ยเป็นติกระประัตจิตีจะสําคัญว่ายกแล้วหรือว่ายังไม่ยกออกก็แล้วแต่สงสัยก็แล้วแต่ประวัติทั้งนั้นไปดูเสนาแต่ไม่ครบองศี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 ไม่เป็นอาบัติสีกข้บทข้อนี้ก็เป็นอนานติกะใช้ให้ไปดูคนใช้ต้องไม่ต้องอาบัติข้อนี้มีองค์สี่ก็คือกระบวนกตุรังคะนีเสนายกทัพออกแล้วองคที่สองไปเพื่อจะดูองค์ที่สามเห็นในที่อื่นพ้นโอกาสที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตองค์ที่สี่ก็คือไม่มีเหตุที่สมควรหรือว่าอันตรายพร้อมด้วยองค์สี่นี้จึงเป็นปาจิตตี สมุดฐานวิธีเป็นต้นก็เหมือนกับเอรักโรมัสิกขาบทแลต่สิกขาบทนี้เป็นโลกบั ช, ชะแล้วก็เป็นอกุตระจิตมีเวทนาสามฐานของเอรักโรมัสองก็คือกายอย่างหนึ่งกายจิตอย่างหนึ่งเป็นกจริยาโนสัญญาวิโมกติกขาบทก็นี้ต้องเป็นสจิตกัตเป็นขยกรรมโปติแล้วเอรักโรมัสิกขาบทนี้จะเป็นโนสัญญาวิโมกสจิตกะตแต่นี้เท่าแสดงอยู่แล้วเป็นอกุตระจิต ไปอกุตระไจิตนี้ก็จะต้องเป็นสจิติกะเมื่อต้องด้วยอักุตรฐฐจรรฐฐิตตเป็นโลกวัชชะต่อไปในเสนาวาสธิขาบทิก้าความวา่าเหตุอันใดอันหนึ่งที่จะพึงไปยังกองทัพถ้ามีขึ้นแก่พิจุให้พิจุ น, นั้นพึงอยู่ในกองทัพเพียงสองคืนหรือว่าสามคืนถ้าพิจุอยู่ในกองทัพให้เกินกว่าสามราตรีขึ้นไปในวันที่สี่ อาทิตย์อาจจะดองคตแล้วเธอจะยืนหรือนั่งหรือนอนอยู่ในกองทัพ ก, ก็ตามหรือจะเหาะอยู่ในอากาศก็ตามคกงเป็นปาจิตตีสมุดฐานก็เหมือนกับเอรักโรมาศิกาบทกายอย่างหนึง่งกายจิตอย่างหนึง่งจิรยาโนสั ญ, ญาวิโมกาจิติกะปันนัสติวัชชะกายกรรมจิตสามแล้วก็เวทนาสามแต่ก่อที่แล้วนี่เนโลกัชชะอุสรจิต ต่อไปในอุโยธิกะสิคราบทที่สิบความว่าพิสุถ้าไปอยู่ในกองทัพสองคืนสามคืนด้วยเหตุที่สมควรและไปเที่ยวดูอย่างที่เขารบกันหรือที่ตรวจพลหรือที่จัดพลอยู่หรือไปดูกองช้างกองม้ากองรถกองเดินเท้าเป็นอบัติทุกกดทุกทุกจ้างเก้าเลยยืนในทัศนูปจาระแลเห็นเป็นปาเจตีช้างตั้งแต่สามเชือกขึ้นไป ชื่อว่าอัฐานิษ์กองช้างม้าตั้งแต่สามตัวขึ้นไปชื่อว่าอัศนิษ์กองมา้ารถตั้งแต่สามคันขึ้นไปชื่อว่ารัฐานิษกองรถทั้งสามนี้มีคนสำหรับดังกล่าวแล้วทุกๆุกองก็คือถ้าช้างมีคนประจำสิบสองม้ามีคนประจำสามรถมีคนประจำสี่ คนเดินเท้าตั้งแต่สี่คนขึ้นไปเนี่ยมีอาวุธครบมือชื่อว่าปักตาณิกกองเดินเท้าสิกขาบทข้อนี้ก็มีสมุทฐานเหมือนกับเอรคารุมัสิกาบทเหมือนกันแต่ว่าเปโลกัวชะเป็นอาวุธตจิตแล้วก็มีเวทนาสามเหมือนกันจบสิกขาบทที่สิบในปัญจวัคปัญจวัค ก, ก็คืออเชกรกัวชะนี่เองต่อไปจะเป็นสุราปานวัคที่หกประดับด้วยสิกขาบทสิบ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 หรือดื่มยาอาริษฐะที่เขาทําด้วยรถมะขามป้อมเป็นต้นไม่เมาแต่เหมือนน้ําเมากระดีและที่ถูกบ้าเป็นต้นเหล่านี้ไม่เป็นอับดิคขาบทข้ขอนี้ก็เป็นอนานติกะใช้ให้ไปดื่มก็ไม่เป็นอบับดิสาหรับคนใช้มีองสองก็คือเป็นน้ําเมาอย่างหนึ่งแล้วก็ดื่มกินข้อหนึ่งพร้อมด้วยองสองนี้จึงเป็นอบับดิปฏิตตีสมุดฐาวิธีก็เหมือนกับเอลักโรมาสิขาบทแปลกแต่คขาบทนี้ก็เป็นโลกวชัชะ แล้วก็เป็นอังคุสตจิตมีเวทนาสามแต่ว่าเป็นโนสัญญาวิโมกและก็อาจิติกะไสยกรรมมีการกระทำคือเป็นเจริยาข้อที่สองในอังคูริปโตตะศิขาบทขี่ดินุมือเนี่ยนะพิสูจประสงค์จะซิกทีคือจะเล่นและขี่กระทบถูกต้องอุปสมบันิคือพิสูจน์ด้วยกันเนี่ยในกายแห่งใดแห่งหนึ่งมีรักแร้เป็นต้นด้วยนิ้วมือหรือว่าอายุวะอันใดอันหนึ่ง แห่งตนเป็นปัจจิตีในอุปสมบันเป็นติกปัจจิตีในอนุสมบันิเป็นติกาทุกฏแม้ในที่นี้ติขาบทข้อนี้นะแม่นางทิสุนีชื่อว่าเป็นอนุสมบัติแห่งทิสุทิสุ ก, ก็ชื่อว่าเป็นอนุสมบันิแห่งนางทิสุนีเพราะฉะนั้น <MO. S 2> ถ้าไปขี้ทิสุขีท้ทิสุนีด้วยหวังจะเล่นเนี่ยนะก็อบัติทุกฏเท่านั้นนะทิสุนีขี้ทิสุหรือทิสุไปขี้ทิษุนีโดยที่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 ข้าบทย้อนนี้เป็นอนานนสิกะใช้ใทํำก็ไม่ต้องมีองสองก็คือพระสงฆ์จะเล่นสนุกก็หนึ่งแล้วก็ถูกต้องตายของอุปสัมบทด้วยตายอย่างหนึ่งพร้อมด้วยองสองนี้จึงเป็นปัจจุตีสมุทฐานวิธีก็เหมือนกับปฐมประชิดก็คือเป็นกายกจิตสมุทฐานเดียวเป็นจุิยาสจิติกะเป็นสัญญาวิโมโกโลกวัชชะอายกรรมอุตตริ ก, รรกิตมีเวทนาสองต่อไปในหัสธรรมสิกขาบท เพราวาโดยเล่นน้ำเป็นสขบทที่สามความว่าพิสุปประสงค์จะเล่นน้ําในน้ําที่ลึกท่วมข้อเท้าลงไปเพื่อจะเล่นเป็นทุกกดทุ ก, ท, กทุกวาระเท้าดำลงผุดขึ้นเป็นปฏิจติทุกประโยคน์ดำลงแล้วว่ายไปในภายในน้ําเป็นปฏิจติทุกวาระมือปาระเท้าเลยว่ายไปบนน้ําด้วยอายวะอันใดเป็นปฏิจติทุกทุกประโยคแห่งอวัยุวะนั้น ในการเล่นสนุกในน้ำท่วมข้อเท้าเป็นติดกับประจิตตีตั้งแต่น้ำท่วมข้อเท้าขึ้นไปเป็นประิตตีในการเล่นสนุกในน้ำสำคัญว่าเล่นหรือว่าสงสัยอยู่เป็นทุกข์ลงเล่นในน้ำตื้นใต้ข้อเท้าลงไปและเล่นด้วยเรือหรือว่ากระทบน้ำเล่นด้วยมือด้วยเท้าด้วยไม้ด้วยกระเบื้องหรือเล่นอยู่ในภาชนะและภาชนะน้ำต้มเป็นต้น และเล่นน้ําโคลนและวักเล่นก็ดีเป็นทุกกฎก็เลยจะเขียนอักษรสองเนื้อความควรอยู่ไม่ประสงค์จะเล่นลงอาบน้ําโดยปกติหรือว่าลงดำน้ําเป็นต้นด้วยจิตหรือไหว้ข้ามฟ้าหรือมีอันตรายและที่จูกบ้าเป็นต้นเหล่านี้ก็ไม่เป็นอบัตขครับบทข้อ น, นี้ก็เป็นอนา น, านติกะใช้ให้เล่นก็ผู้ใช้ไม่เป็นอบัติมีองค์งก็คือน้ําลึกท่วมข้อเท้าขึ้นไป ประเดสองก็คือลงเล่นประสงค์จะสนุกพร้อมด้วยองค์สองนี้จึงเป็นอบตบปจิตตีสมุทางวิธีก็เหมือนกับปฐมป ร, รากหนึ่งคัญก็คือกายกจิตอย่างเดียวกิริยาสัญญาวิโมกสกิจิกะแล้วกัวัชกายกรรมแล้วก็อาวุโสลิตมีเวทนาสองเป็นโลภะนั่นเองในอนาดริยสิขาบทที่สี่ความว่าปิกตุ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 หรือไม่อยากจะศึกษาทำนั้นก็ดีและตามความไม่เอื้อเฟือดังนี้ชื่อว่าไม่เอื้อเฟื้อธรรมในอุปสมบันเป็นติการปจิเตในอนุสสมบัติเป็นติกาทุกฏอุปสมบัติหรืออนุสมบันิตักเตือนว่ากล่าวเรื่องธรรมอันอื่นไม่ใช่สิกขาบทบัญญัติเป็นต้นว่าสิ่งนี้ไม่เป็นไปเพื่อการขัดเกลาขูดเกลายเลสดังนี้ไม่เอื้อเฟือเป็นทุกกฏถ้าไม่ใช่เป็นสิขาบทแนะนำได้ทำมาอย่างอื่นก็ไม่เอื้อเฟือเป็นทุกฏ ก็แลทิจจุดายเรียนอุกหะซึ่งมาตามประเพณีและกล่าวตอบว่าอุกหะและปริกุชขาความเล่าเรียนบาลีและอัตถกถาห่งอาจารย์ของข้าพเจ้าอย่างนี้ก็ดีและทิจจุบ้าเป็นต้นเหล่านี้เป็นอนาบัติหมายถึงไม่เป็นอนาบัติเป็นอนาณติกะใช้ให้ไม่เอื้อเฟือ้อก็คนใช้ยังไม่เป็นอนบัติมีองสองก็คืออุปสัมบันิตักเตือนว่ากล่าวด้วยพระบัญญัติ องคที่สองคือไม่เอเือเผือพร้อมด้วยองค์สอนนี้จึงเป็นป่าจิตตีสมุทฐานวิธีก็เหมือนกับอธินนาทานสิกขาบทแ ต, แต่สิกขาบทนี้เป็นทุกขเวทนาก็คือมีสมุทฐานสามกายจิตวาจาจิตกายวาจาจิตเป็นกิริยามีการกระทําการไม่เอืเฟือนี้สัญญาวิโมกสจิตตกะโลกวัชะกายกรรมจีกรรมแล้วก็ข้อนี้เป็นอกุศลจิตเป็นทุกขเวทนาต่อไปพิงสาปะนะสิกขาบทที่ห้าความว่า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 ไม่หมายจะหลอกให้กลัวและนําเอารูปเป็นต้นเข้าไปหรือบอกที่กันดารด้วยโจรเป็นต้นและพิ่ถูกบ้าเป็นต้นเหล่านี้ก็ไม่เป็นอบัตติกาปั้นนี้ก็เป็นอนานนติกะใช้ให้ไปหลอกก็คนใช้ยังไม่ต้องอบัตคนหลอกก็เป็นมีองสองก็คือผู้ที่จะพึงหลอกนั้นเป็นอุปสมบันิเป็นที่สุขพยายามด้วยหวังจะให้อุปสมบันินั้นกลัวในวิสัยที่เธอได้เห็นและได้ยิน จะกลัวรือไม่โลักตามว่าคนหลอกก็ต้องอาบัดกรพร้อมด้วย อ, อ, องสองนี้จึงเป็นประจิตตีสมุทฐานวิธีเป็นต้นก็เหมือนกับสิกขาบทในลำดับมาก็คือสิกขาบทก่อนนี้อนาตริยะสิกขาบทนั้นมีอธินาทานสมุทฐานนะนะองสามมายถึงสมุทฐานสามจากจิตวาจาจิตกายวาจาจิตเป็นกิริยาสัญญาวิโมกขจิตกาโลกัมชะกายกรรมกิกรรมเป็นอาบุตรดจิตเป็นเวทนาตาม ประสงค์จะเล่นก็นตามโกรธก็ตามมานะต่อไปในโชติสมาดาหันะสิขาบทที่หกความว่าพิจูดใดไม่เป็นไข้เธอประสงค์จะผิงไฟติดไฟเองตั้งแต่จับแจงไม้สีไฟไปเปลวไฟยังไม่ลุกขึ้นตราบใดในประโยคทั้งปวงเป็นทุกข์ก็ตตราบนั้นเปลวไฟลุกขึ้นเป็นปากิ ต, ตีใช้ให้ผู้อื่นติดไฟก็เป็นทุกข์เพราะบังคับ บังคับคราวเดียวแม้เขาติดไฟลุกขึ้นมาต้องฝาจิตตีตัวเดียวเท่านั้นเว้นไวแต่เหตุอันสมควรคือตามประที่หรือว่าติดไฟระบมบาดเป็นต้นไม่เป็นอาบัติพิสูดายเป็นไข้เว้นไฟเสียไม่สบายชื่อว่าเป็นไข้แต่ว่าหนาวตามระดูจะชื่อว่าเป็นไข้นั้นหาไม่ถ้าตามระดูหนาวแล้วก็มาผิงนี่มันเป็นไข้ไม่ได้ในพิสูดไม่เป็นไข้เป็นติกับจิตตี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 สมุธฐานวิธีก็รู้โดยในของสัญจริตะิกขาบทก็มีสมุธฐานหกเป็ริยาโนสัญญนยมโมกอจติกะปานติวัชะกายกรรมจีกรรมจิตสามเวทนาสามในนหาณะสิกขาบทที่เจ็ดความว่าพิจตุได้อยู่ในมัติมะประเภทก็คือในอินเดียนั่นแหละแต่วันอาบน้ําครั้งก่อนมาคิดเป็นกึ่งเดือนยังไม่เต็มก็คือไม่ครบกึ่งเดือนน่ะสิบห้าวัน เธอคิดจะอาบน้ําตกแต่งจุลหรือว่าดินอยู่แต่นั้นมาในประโยคทั้งปวงเป็นทุกก์อาบน้ําเสร็จแล้วก็ต้องปฏิตีเว้นองนี้แต่มีสมัยเหล่านี้อันใดอันหนึ่งไม่เป็นอบัติก็คือปลายฤดูร้อนเดือนครึ่งชื่อว่าอุณหัสมัยคราวร้อนต้นฤดูผลเดือนหนึ่งชื่อว่าปริราหะสมัยคราวกระวนกระวายเป็นไข้ เว้นอาบน้ําไม่สบายชื่อว่าคิราณะสมัยทําการคือทําการงานโดยสุดแม้กว่าบริเวณชื่อว่ากรรมสมัยข่าวทาการจากเดินทางเพียงถึงโยอหรือว่าเดินไปอยู่หรือเดินมาถึงแล้วชื่อว่าอัธฐานคมณะสมัยข่าวเดินทางไกลลมพัดทุรีถูกตัวและฝนสองเมล็ดหรือว่าสาเมล็ดถูกตัวเลยนะชื่อว่าวาตวุ ธ, ธิตสมัยคราวลมฝน สิขาบทนี้เป็นประเทสบัญญัติเฉพาะมัชิมะประเทศในอินเดียเท่านั้นอยู่ในปัจจันตะประเทศอาบน้ําได้เป็นนิพไม่เป็นอบัติสมุทรานก็เหมือนกับเอรัโรมาสิขาบทสมุทรานสองกายอย่างหนึ่งกายจิตอย่างหนึ่งกิริยาโนสัญญมกอจิตตกกัปนติวัชชะเป็นกายกรรมเท่านั้นจิตสามเวทนาสามต่อไปในทุกพันนาการณาสิขาบทที่แปดความว่าพิสุได้ผ้าควรนุ่งห่มมาใหม่ ยังไม่ได้ทำกับปะพินทุยอมเสร็จแล้วพึงทำกับปะพินทุในที่แห่งใดแห่งหนึ่งแล้วจึงบริโภคนุ่งห่มตัวใหญ่ก็จะทาที่มุมของชีวรที่ได้มาใหม่จุดลงเป็นวงกลมเท่ามณฑลตานกโยงเท่าแววตานกโยงหรือว่าหลังเลือดด้วยของสามอย่างคือของสีเขียวของสีตมหรือว่าของสีดาเหล่านี้สิ่งใดสิ่งหนึ่งชื่อว่าทากับปะพินทุ ทศสุดอยไม่ทํากับปัปพินทุแล้วบริโภคนุ่งห่มไซเป็นปาจิตตีในผ้าไม่ได้ทํากับปัปพินทุเป็นปติกะปาจิตตีในผ้าทํากับปัปพินทุแล้วสําคัญว่าไม่ได้ทําหรือว่าสงสัยอยู่บริโภคเป็นทุกกดทํากับปัปพินทุแล้วรู้อยู่ว่าทําแล้วบริโภคไม่เป็นอบัติทําแล้วกับปัปพินทุหายไปเสียหรือโอกาสที่ทํากับปัปพินทุครําค่าเสีย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 ไม่ใช่ชีวรอันหายอย่างหนึ่งไม่ใช่เป็นผู้ที่มีจีวรอันหายอย่างหนึง่งองค์หนึ่งแล้วก็นุ่งหรือว่าห่มผ้านั้นพร้อมด้วยองศาบนี้จึงเป็นปาจิตตีสมุดฐานวิธีเป็นต้นก็เหมือนกับเอาารักโรมาติคาบทแต่แต่ศิขาบทนี้เป็นกิริยากิริยะสมุดฐานสองก็คือกายอย่างหนึ่งกายจิตอย่างหนึ่งข้อที่เก้าวิกัปปนาสศิขาบท พิสุวิกับผ้าไว้แก่สหธรรมิกฆาคือภิษุพิจุณีนาสิกามานาสามเณรสามเณรีผู้ใดผู้หนึ่งแล้วบริโภคนุ่งห่มผ้านั้นยังไม่ได้ให้เขาถอนวิกับก่อนเป็นปาจิตติวิธีวิกับผ้าจะกล่าวข้างหน้าในผ้าไม่ได้ถอนวิกับเป็นปจิตกับปจิตติอธิฐานหรือว่าเขียสระผ้าที่ไม่ถอนวิกับนั้ น, ต, นต่อบาปทุกข ถอนนี้กลับแล้วสําคัญว่ายังไม่ได้ถอนหรือว่าสงสัยอยู่เป็นทุกข์กอรู้ว่าถอนที่กลับแล้วเป็นอนาบัติผู้รับที่กลับถอนให้หรือว่าบริโภคโดยความคุ้นเคยหรือวิสาสะแห่งผู้ที่ตนที่กลับไว้และที่ถูกบ้าเป็นต้นเหล่านี้เป็นอนาบัตเหมือนกันสิกขาบทข้อนี้ก็เป็นอนานติกะใช้ให้ไปนุ่งหกก็ไมเป็ น, นบัตในองค์สามก็คือไม่ปฏจจิทินถอนถ้าซึ่งตนนี้กลับไว้คือยังไม่ได้ถอน ถ้านานกว้างยาวพอวิกับได้ก็คือแปดนิ้วคูณสี่นิ้วสุขคตแล้วก็บริโภคนุ่งหมพร้อมด้วยองค์สามนี้จึงเป็นปาจิตติสมุดฐานวิทีเป็นต้นก็เหมือนกับปฐมกระถะินสิกขาบทนั่นเองแต่สิกขาบทข้อนี้เป็นกิริยากิริยะก็มีสมุดฐานสองกายวาจาอย่างหนึ่งกับกายวาจาจิตอย่างหนึ่งโนสัญญาวิโมกจิตกะปันนติวัชชะกายกรรมจีกรรมจิต ส, สามเวทนาสาม ต่อไปศิกษาบทที่สิบก็สุดท้ายในวัดนี้ในตุราปนวัตที่หกนี้เรียกว่ากีวราปณิธานสิกขาบทในอะปณิธานสิกขาบทนั้นซอนบริหารบาดควรอธิษฐานท้าจีวรกว้างยาวพอวิกับขึ้นไปถ่านิสิตณะมีชายกล่องเข็มมีเข็มหรือว่าไม่มีเข็มก็ตามแล้วก็รัดประคดเอวเป็นแผ่นหรือว่าเป็นดังไส้หมูก็ตาม บริขารห้าสิ่งนี้เป็นของพิสุจน์อื่นพิสูจใดโดยที่สุดแม้จะหัวเราะเล่นนําไปซ้อนตัวเองหรือว่าให้ซ้อนก็ตามใช้ให้ไปซ่อนก็ตามเป็นปฏิจจตีใช้ผู้อื่นเอาไปซ้อนก็เป็นทุกกฎเพราะบังคับก่อนครั้นผู้อื่นนั้นเอาไปซ้อนแล้วเธอผู้บังคับก็ต้องปฏิจจตีเหมือนกันในอุปสมบันิเป็นติกัดปฏิจจตีในอนุสมบัตไปซ่อนของอนุสมบัตก็เป็นติกัดทุกกฎ ซ่อนเองหรือว่าให้ผู้อื่นซ่อนซึ่งบริสารอื่นเป็นของอุปสมบัติหรือว่าอนุสมบัติตามยกแต่วัตถุมีบาดเป็นต้นที่ว่ามาแล้วนั้นเสียเป็นทุกกฎบริสารผู้อื่นวางไว้ไม่ดีช่วยเก็บให้หรือว่าเก็บไว้ด้วยคิดว่าจะสั่งสอนเจ้าของแล้วจึงจะให้และพิจูบ้าเหล่านี้ไม่เป็นอบัติจะบทข้อนี้เป็นสานิติกะใช้ให้ไปซ้อนก็เป็นอบัติเหมือนกันมีองค์สองก็คือซ่อน บาตนาจีวรผ้าปูนั่งกรองเข็มประคบทเอว่วพวกนี้ห้าอย่างโดยซ่อนของห้าอย่างนี้องค์งข้อหนึ่งข้อที่สองก็คือใครจะให้เจ้าของลําบากหรือว่าจะหัวเราะเล่นพร้อมด้วยองค์สองนี้เป็นปฏิตตีสมุทานวิธีเป็นต้นก็เหมือนกับอธิมนาฐานสิขาบทนั่นเองก็คือสมุทฐานสามกายจิ ต, าจาจตาวาจาจิตใจวาจาจิตเป็นกิริยาสัญญาวิโมกข์ะกิตกรรมโลกวัชชะกายกบรบกิจกรรมอารมณ์ต่อจิต เวทนาสามเลยอันนี้ก็จบปัจบที่หกประกอบ้ท่านทั้งหลายเป็นผู้ที่รักษาพระวินัยเพื่อกูลแก่พระธรรมพระวินัยนี้เป็นศรรีลพระธรรมก็เป็นสมาธิเป็นปัญญาเป็นเหตุที่ทําให้ตไตรสิกาสามนั้นบริบูรณ์ได้ประกอบให้พร้อมร่างด้วยตไตรจิกขาประชุมอริยมรรคห่งแปรสรู้เป็นพระอริยบุคคลได้ในการไม่เนื่อนช้านี้ด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุ